ครั้นแล้วได้ทรงไขความของทิฏฐิอันประเสริฐอันนําออกจากทุกได้โดยชีย้ไปถึงยานที่สองถึงยานที่เจ็ดอันเป็นอริยะเป็นโล ก, กุตระคือข้ามโลกไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทั้งหลายซึ่งเรียกว่าเป็นองค์เจ็ดที่ทําให้ผู้ประกอบด้วยองค์เจ็ดเหล่านี้ประกอบด้วยโสดาปฏิผลนยานทั้งเจ็ดมีดังนี้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 เธอก็ได้บรรลุญาณที่สองญาณที่สามอริยาสาวกพิจารนาว่ามีสมณะพราหมณ์อื่นในภายนอกศาสนานี้ที่ประกอบได้ทิฏฐิอย่างที่เรามีหรือไม่หนาเธอรู้ว่าไม่มีเธอก็ได้บรรลุญาณที่สามญาณที่สี่อริยาสาวกพิจารนาว่า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 เธอรู้ว่าเธอประกอบด้วยความเป็นผู้มีกําลังเช่นนั้นเธอก็ได้บรรลุญาณที่เจ็ดสรัสสรุปว่าธรรมดาอริยสาวกผู้ประกอบด้วยองค์เจ็ดเป็นอันสอบสวนด้วยดีเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิพันธอย่างนี้อริยสาวกผู้ประกอบด้วยองค์เจ็ดอย่างนี้ย่อมประกอบด้วยโสดาปฏิพันธ